ถ้าเราจะคิดที่จะเอาไปค่อยเอาไปทำ น, นะว่าคือคือจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นซากของแม่แต่ทอนนี้แม่ก็ไม่ได้แม่แม่ก็ไม่ได้อยู่ครอบครองนะมันเป็นประเด็นก็ถามว่าถ้าเราเอาไปเพื่อจะไป็นประดับที่บ้านเพื่อถ้าเป็นเพื่อกุศลเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อความโลภ สมมติถ้าเราเออในที่ตรงเนี้ยถามว่าเออถ้าพี่เขาจะเอาเราก็จะให้แต่ถ้าเขาไม่เอาเราจะเป็นประดับเพื่อให้ให้คนที่ได้มาที่บ้านหรืออยู่ที่บ้านทั้งหลายมีแต่หลักอื่น่เห็นแล้วจะยังจะยังความกลาวพื้นใช้เกิดขึ้นจากผลของกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้เครื่องประดับเหล่านี้นเป็นเครื่องประดับของคนที่ได้เดินบนทางนระดานน้ำสีไ นั้คนที่ได้ให้ทานมาสังสมทานบารมีมาสืบบารมีมาคนที่มีบุญทั้งหลายเขาก็มีเื่องไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเตียงหรือสิ่งทั้งหลายเลยนี่มันก็เป็นเป็นเป็นของคนมีบุญกันจากการบวมเป็นตัดทานบารมีไปตนถ้าเราจะเอาเครื่องเหล่านี้มาประดับมาขวางเพื่อที่ได้เป็น ใจให้คนได้เห็นว่าทานกุศลมันมีผลจริงนะศีลกุศลมันมีผลจริงนะเหมือนเราใส่เพื่อนประดับนางวิสาขาทําไมใส่เพื่อนประดับมากมาเธอไม่ได้ใส่เพื่อไปโชว์ไปอวดใครเลยนะแต่เธอต้องการใส่เพื่อให้คนหรือท่าบริวารทั้งหลายได้เห็นว่านี่ไงผลของทานบา ร, รมทีที่เธอบำเพ็ญมานี่ไงทุกคนก็ศีลบา ร, รมี นี่ไงคือผลของเตมตตามะนี่ไงคือผลของปัญญาติดต้ทนที่ได้ปรเพ็ญาผลของการทํานบุญศรีบุญศรีภาวนาบุญศรีมันให้ผล อ, อ, อย่างนี้นจริงๆทุกคนเห็นแล้วจะได้ไม่ประมาและจะได้เล่งในการทานความดีถ้าทําเพื่อลักษาแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีดนะ้วยถ้าประเด็นของโยมคือโยมมีความรู้สึกพอเดินไปแล้วเออไอ้นี่ก็ดีนะไอ้นี่แล้ก็อยากคือเห็นเห็นความโลดของเรา อ๋อตรงนั้นเราก็ได้เข้าใจตรงนั้นเราก็ตัดตัดบอกว่าถ้าเราจะเอาตรงนี้ไปประดับเราจะไม่ให้ความคิดตรงนี้แทรกแต่เราจะถามว่าไปประดับเพื่อให้คนเขาได้เห็นว่าคนต้องทานรู้สนที่เราได้เคยบำเพ็ญมาในดีและปัจจุบันและเราก็จะบาเพ็ญต่อไปเท่านั้นให้คนได้เห็นหรือทุกคนมาแล้วได้รับความชื่นใจจากการที่ว่าเหมือนได้าถามว่า ที่ที่จะเป็นลำมมนียสถานหนึ่งก็คือมีน้ำสองมีต้นไม้สามก็คือการจัดโซนเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งตำแหน่งที่ถูกต้องสี่ความสะอาดถ้าได้สี่ลักษณะอย่างเี้ยกุศลมันเกิดงะที่เราต้องการจัดพื้นที่เนี่ยให้ได้บรรยากาศทั้งน้า ทั้งต้นไม้ใบหญ้าทั้งการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดโซนตำแหน่งได้ถูกต้องกับความสะอาดนีเพื่อต้องการทำตรงนี้เป็นรามณียสถานคำว่ารรมณียสถานเป็นสถานที่เจริญกุศลได้ง่ายเข้ามาแล้วเนี่ยทางกุศลเกิดศีลกุศลเกิดภาวนากุศลเกิดได้ง่ายสติสมัมปชัญญะเกิดได้ง่ายและสิ่งของเพิ่มประดับทั้งหลายเหล่านี้ เราต้องการให้คนเขาได้เห็นและเราได้รู้ได้เข้าใจยิ่ผลของทานบรมีผลของทานบุญศ่วิบุญส่วนนัเราฉลาดจัดการดีวางที่ตามตำแหน่ ง, งตา่างๆนี่เป็นผลของภาวนาบุญส่ที่เราทํามาและเราจัดทาต่อไปเราไม่ใช่เอามาอวดเพื่อให้คนเห็นว่าโอ้เนี่ยเรามีตรงโน้นตรงนี้แต่เราต้องการให้คนได้เห็นเราสามารถจะบอกกับลูกน้องบอกกับคนทั้งยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลของทานนะ คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นผลของศีลนะสติสัพชัญญาในการจัดแจงวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหลายหรือการจัดแจงได้ดีงามมันเป็นผลของภาวนากุศลนะอันนี้เป็นผลของกุศลและสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงฉันทำประดับประดาตกแต่งทั้งหมดเหล่าเนี้ยเพื่อต้องการน้อมในการบูชาคุณของบรรนาณตรัยด้วยให้คนได้เห็นคุณของบรรดาณตรัยพระเจ้าสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลสอนเรื่องภาวนา ฉันทำมาฉันก็ได้รับผลก็แค่นี้เองเรื่องเหตุก็เรื่องผลนั้นถ้าเราบอกว่าเออตรงนั้นเราก็อยากได้ถามอยากได้เริ่มคิดต่อเพื่ออะไรถ้าเพื่อเพื่อต้องการจะทําสถานที่นี้ให้เป็นรามานียสถานใครไปใครมาจากเขาจากเขาเครียดเข้ามาแล้วก็หายเครียดก็กรุ่มมาแล้วหายกลุ่มมาเห็นแล้วเขาจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาแม้เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันปริวาน ยากมีทั้งหลายไม่เห็นพวกในจิตใจก็สะดกสบายขึนมาเมื่อจิตใจเขาอ่อนโยนแล้วเนะี่ยง่ายต่อการจะบอกง่ายต่อการจะแนะนำถ้าทํารกลุ่มลังแล้วอะไรก็ไม่มีเลยบ่งบอกว่าเราไม่รู้จักไม่ใครไม่ขยันใช่ไหมประมาทไม่ฉลาดจัด ก, การก็ไม่ตรงหลักคำํำสอนอีกต้องขยันไม่ประมาทฉลาดจัด ก, การมันจะถูกต้องเลยนั้นถามว่าเราสามารถเอาหญินไปบารรดาลลังการได้หมดเลยแต่เพียงว่า จะประดับด้วยอกุศลหรือประดับด้วยกุศลตกแต่งสถานที่ด้วยอกุศลหรือด้วยกุศลมันคิดได้ทั้งสนัยยะแต่ขอให้เราประดับด้วยกุศลและเราคิดเมลัยกุศลมันจะเกิดเลยทีนี้ข้อนหินก้อนี้จะเรามาประดับแต่ก่อนเราคิดเป็นอยากได้เพื่อสวยงามแต่ตอนนี้เราต้องการนำมาประดับเพื่อให้เป็นรานนี้สถานเป็นสถานที่เดินกุศลได้เราต้องการทําป่าไม้งามพื้นพื้น ตกแต่งโซนให้ดีมีน้ำมีต้นไม้มีการวางจัดโซนได้อย่างถูกต้องตําแหน่งบ้านตั้งยังไงตําแหน่งห้องนอนตั้งยังไงตำแหน่งเก้าอี้ตั้งยังไงต้องการตั้งให้ให้เหมาะสมเพื่อเป็นรรมณีสถานและต้องการให้สะอาดเขาได้4ประการนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าพวกกลุ่มโม่หี้ไอ้กลุ่มพวกนั้นทั้งหลายเลยเนี่ยคนช่วยทั้งหลายเนี่ย พวกนี้เขาไม่รู้เขาประดับแค่นั้นเองแค่พื้นฐานแต่พระเจ้นานี่หลักการพระเจ้าเลยหนึ่งต้นไม้สองสองน้ำามความสะอาดสี่จัดโซนตำแหน่งได้ถูกต้องแค่พื้นฐานแค่นนี้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นรามานิยสถานเหมาะแก่การเจริญภาวนาได้เหมาะแก่การทีานานร่จะคิดกุศลได้สะดวก น, นันเครื่องประดับก็ได้อะไรก็ได้แต่มันอยู่ตรงว่า เราคิดด้วยอกุศลแจิตหรือคิดด้วยกุศลแจิตถ้าคิดด้วยอกุศลจิตตรงนี้เราก็จะเอาตรงนี้เราก็จะเอาตรงนี้จะเอามันเป็นกิเลสเป็นการสะสมแต่ถ้าคิดด้วยกุศลเราบอกว่ า, วาถ้าเรามีตรงนี้เป็นระดับที่จะเป็นลัมมณีสถานและคนไปใครมาเขียนกุศลเยอะเราต้องการทําให้คน ท, ทุกคนที่อยู่ก็ดีที่มาเห็นก็ดีได้รับกุศลกันทั่วน้ะ เราต้องการบูชาพระรัตนนมีเทนเราโมโหเรามองทพิไรเนี่ยคุณของพระรัตนนาฏใจก็ขึ้นกุศลความดีขึ้นแล้วก็เห็นว่าโอ้อยทานกุศลสิ่งเหล่าเนี้ยเราเดินไปในสังสารวัฏเราจะติดตัวไปเรื่อยคำว่าติดตัวพิเศษคือการที่เราน้อมน้อมบูชาหรือน้อมคุณความดีน้อมให้ผู้คนได้ได้ไ ด, ได้เขาได้กุศลได้สัมผัส มาได้ใช้สายคนที่ก uh. ็อยู่เขาได้มาอยู่เขาได้ใช้สอยเขาได้เห็นก็ได้เราให้เราให้เขาให้เขาได้มองเขาเกิดกุศลให้เขาได้ฟังเสียงเขาเกิดกุศลให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศเขาเกิดกุศลให้เขาได้มาเกี่ยวข้องตรงนั้นเขาเกิดกุศลให้เขาได้ได้รามณียสถานแบบนี้เป็นบุญเราจะทําที่เหล่านี้เป็นรามณียสถานก็คือเป็นสถานที่เจริญบุญกุศล คนที่คิดอย่างเนี้ยเขาเอาตรงนี้ไปด้วยในสังสารวัแต่คนที่คิดว่าฉันจะเอาจะเอาจะเอาเอาไปไม่ได้มันก็ติดอยู่ในของทิ้งในโลกบดิมองเลยที่อย่างก็เป็นอย่างไง <k> เขาเขาเขาสามารถเอาติดตัวก็ไปได้แต่คนบางคนเนี่ยเอาไปไม่ได้เขาทําทิ้งไว้เพราะว่าเขียนอะไรมันอย่างได้ผมเป็น มันคิดต่อไม่ได้อยากได้อยากได้ไดแล้วเขาบอกไม่เอาแลไม่เอาแล้วก็มีแค่นั้นเอง